ทท่าั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สองการจเจริญกรรมฐานในเดือนกันยายนเมื่อวานนี้พูดถึงกสินคือปฐวีกสินในแกลกสินดินการปฏิบัติกสินกสินจริงๆมีสิบอย่างในวิธีปฏิบัติของเขาตามที่ก็ปฏิบัติกันได้นะ ถ้าปฏิบัติเจาสิงกองใดกองึงต้องได้คล่องจริงๆมันหมายความว่าต้องเข้าชานออกชานในตามชอบใจคําว่าเข้าชานเป็นชายกนหมายควาเห็นภาประสินเป็นแก้วเป็นแก้วใสแหววราวสวยงามมากนี่เป็นฌานมันนกึกจะเข้าชายก็ขเข้าได้และจะออกชายก็ออกได้คล่องจริงๆตามเวลาคือไม่เลือกเวลา เวลานั่งนอนอยู่เข้าฌานได้เดินไปส่วงเข้าฌานได้ไหวไหมเข้าฌานนี่มั น, ห, นหมายความต้องนั่งนะจิตเข้าถึงฌานหมายถึงว่ามีทุกขเวทนาแบบไหนก็ตามก็เข้าฌานได้ทันทีทันใ ด, ดยอย่างนี้พระจึงจะเปลี่นกองถ้าจะเปลี่ยนไปกองที่สองถ้าเราปฏิบัติหลายกองได้แล้วหรือกองหนึ่งสองสามก็ตาม อันดับแรกจะขึ้นปฏิบัติกองใหม่เขาต้องขึ้นกองเก่าก่อนตอแรกตัวจับชายกองเก่าให้มีความสดใสกําลังใจทรงตัวแล้วก็ย้ายไปกองที่สองย้ายไปกองที่สามย้ายไปกองที่สี่รวมความเมื่อกองแรกคล่องถ้าคล่องจริงๆอย่าเร่งรัดเวลาถ้าเข้าชานออดชานได้ตามสบายอย่างนี้กองที่สองสามกองต่อไป จะได้ไม่เกินกองในสาม <c oughs> วันเพราะทำมาแบบนี้นะเพโรงความว่าเรื่องศีลเป็นเรื่องเรื่องศิลจริงๆในความจริงก็ไปขอธรมรมดาธรรมดาท่านพุทธบริษัทที่เจริญมโนยิธิได้ที่ท่านทั้งหลายเห็นภาพพระนั่นคือภาพพระพุทธเจ้า ที่ทุกคนเห็นแจ่มใสการเห็นแจ่มใสอย่างนั้นไม่ใช่พุทธานุปกติการเห็นภาพอย่างนั้นเป็นกระสินภาพภาพนั้นเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นพุทธานุปกติด้วยเป็นกสินด้วยท่านได้มาพูดถึงตอนนี้บรรดาญาติโยมพุตตบัญญัติได้แล้วมาคิดว่ากระสินเราได้แล้วแต่ว่าเป็นการได้อย่างอ่อนได้ในไข้ร้อนสุขของโกงบาบเทวิโชบัณฑชะละินโยเล็กน้อยบ้าง ยังไม่ถึงแกีนดักการเห็นภาพพระแจ่มใสเป็นอะโลกะสิงอะโลกะสิงทีหมายถึงแสงสว่างในการที่จะสามารถรับรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติถ้าเห็นพระเป็นพระสงฆ์คือพระอรหัก็ตามภาพที่เราเข้างบนมีสภาพแจ่มใสแทรรู้ว่าเป็นประสงค์เป็นสังขารสติด้วยเป็นกระสินด้วย ถ้าเห็นเทวดาหรือผมจับเราเป็นเทวตานุสติด้วยเป็นพสิงด้วยครงความว่าท่านพูดถึงกสิงตัณดาญายโยพุตรไปใส่ตัวแทนกันแล้วแปลว่าไม่ตรงเป้าหมายจริงๆเป็นเพียงว่าเข้าถึงกสิงแต่ไม่รู้จักกสิงไม่เหจะปฏิบัติ ก, นนกสิงโดยตรงก่อนที่จะพูดถึงกสิงก่องที่สองก็ข อ, ขอยําำพิรีลาการปฏิบัติที่เราจะละไม่ได้ เกษินจะได้หรือไม่ได้ไม่มีความสำคัญความสำคัญดับแรกก็คือเราต้องตัดสังโยตสามให้ได้ถ้าตัดสังโยตสามไม่ได้เราก็ไม่พ้นอบัยภูมิเราจะได้เกสินได้สิบกรจะได้พิชชาชันจะได้อภิญญาก็ตามแต่ว่าไม่สามารถตัดส่องโยตสามได้เราไม่พ้นอภัยภูมิแน่ดูแต่ท่านเทวทัต ได้เป็นยาสมาบัติที่เป็นชานโลคีก็ยังลงอเวกีหมอนนรกเกิเฉะนั้นเรื่องชานโลคีไว้วางใจไม่ได้ต้องก้าวไปหาความเป็นพระอริยเจ้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นไม่สําคัญสําคัญว่าพระอริยะท่านทําได้แบบไหมแล้วทำได้แบบนั้นเป็นพระอริยะเป็นตรคือพระโสดาบัน อารมณ์ที่เราต้องใช้ประจํำก็คืนหนึ่งไม่ลืมว่าเราจะต้องตายเพราะความตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้คิดไปตามปกติว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราก็ต้องตายแน่บันเดลาล่วงไปเท่าไรล้วเดิในใกล้ไปหาความตายเท่านั้นเราต้องตายไม่ถ่ายไม่มี ในเมื่อเรายังไม่ตายก็ขอยึดความดีคือคุณพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านถ้าไม่ใช้ปัญญาในประเดี๋ยวเลิกพบพระพุทธเจ้าซะบ้างพบบ้างไม่คบบ้างอย่างนี้เป็นเหียว น, นราแพร่นหน่อยต้องใช้ปัญญาก่อนเห็นว่าท่านดีจริงๆเราก็ยอมรับรับถือท่าน พัฒนการต่อไปข้อ น, นี้ขอ้อที่สอเป็นพิจิตรชาตัดพิจีตราสงสัยขอ้อที่สามตศีลและตัดปรารมากคือความไม่แน่นอนในการทรงศีลเรากลับมาเป็นคนแน่นอนในการทรงศีลแต่การทรงศีลของพระอริยเจ้าไม่ใช่ศีลห้าอย่างเดียวต้องมีกังวลศีลด้วยเท่าทั้งนี้เพราะว่าสังเกตดูถ้อยคำของนาวิสาขาก็ดี เพราะนายเปิกาศเศรษฐีก็ดีไม่ใช่ท่านไม่พูดบดอย่างเดียวท่านพูดดีด้วยทะ่นี้นก็ต้องมีทั้งสินหนะ้าในกำหนดสิบบทธิควบกันเพราะสินห้านี้ห้ามแค่มุสาวาดการหนดสิทธิห้ามมุสาวาดด้วยห้ามพูดคําหยาบเป็นเครื่องกระเทือนใจเขาด้วยห้ามดินทยชาวบ้านในการสอสิทนศีก็แตกกันด้วยห้ามเพ้อเจอ้อแล้วไหลและประโยชน์กันด้วยห้ามสีอย่าง เต่าพระโสดาบันท่านไม่ใช้ขทอดคำสิ่งอย่างนี้ท่านเวนยังต้องถือว่าท่านดีกับหมดสิบด้วยทิทธีปฏิบัติก็คือหนึ่งทางกายเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัตย์ไม่ไปพูธปิดในการไม่ดื่มสุราดมีไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาไม่พูดส่อเสียอินพาจะไปเท้าไหร และก็ไม่ใช่วยายาเหลวไหลไรล้ประโยชน์ทางจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมันเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็ไปคิดกระทุ้ส้ายไม่จองล่าจองผานใครความโกรธจังมีอยู่บ้างเกี่ยเบาบางแล้วก็มีความเห็นชอบตามคําแนะนําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนนอกจากนั้น อีกข้อหนึ่งเป็นวิเศษอุปสมานุสตินั่นก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดเทวัตว์มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเกิดเป็นคนใหม่ก็ทุกแบบนี้เกิดเป็นเทวดาแล้วผมมีความสุขโชคลาภมาบทบุญบาสนาบารมีก็กลับมาเกิดใหม่ทุกอีกเราไม่ต้องการเราต้องการานิพพาน ตึงมีความสุขแน่นอนทั้งสี่อย่างนี้ธรรมดาแต่พุฏิบริษัท ต, ต้องส่งตัวสําหรับวิชาการต่างๆในกรรมฐานอะไรายในกองเขาเรียกว่าแนะนํากันเพื่อเป็นความรู้หรือว่าท่านจะชอบกองไหนท่านก็ปฏิบัติกองนั้นในการชอบใจหรือว่ากรรมฐ า, านทุกกองมีคุณค่าเสมอกันหมดหนในของชายสมาบัตเหมือ น, นกัน สองเป็นพระอริเจ้าได้เหมือนกันสามปฏิภาณได้เหมือนกันเหมือนกันทุกกองที่นี <c oughs> ้มาว่าใช้วิธีปฏิบัติทางกายทางดํารงสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจแล้วก็ต้องหาจุดทุงความตั้งใจว่าเราจะตั้งใจตรงไหนที่จะถูกขันดับแรกก็ตั้งใจรู้ลมไม่ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อย่างนี้เป็นขันิกาสมาธิกับอุปจารสมาธิรู้ลมไม่ใจเข้าออกเฉยๆเป็นขันิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยรู้ลมไม่ใจเข้าออกยาวหรือสั้นอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิ ถ้ารู้เราให้ใจให้ใจเข้ากระทบด้วยไปถึงเหนือเหนือสวนเหนือสะดือให้ใจออกกระทบสวนเหนือสะดื อ, อด้ว่อยมันจะละอกที่จ้หมูรู้หมดตลอดสายอย่างนี้เป็นปฐมฌานนี่สังเกตไปนนะ <c oughs> แล้วต่อไปก็ต้องควบคู่กับคําภาวนาสํสาหรับท่านที่มาาาไม่ยอมคำภาวนาจะไม่ภาวนาก็ได้ <c oughs> ถ้าถามว่าคําว่าภาวนาใช่ยังไง ถ้าในกิตเบื้องต้นการฝึกดเบื้องต้นสุขบวิรเสกโกต้องก็คือในสอนสุขบุตเสกโกในตอน เ, อเรื้องต้นเขาไม่จํากัดคําภาวนาจะว่าอย่างไรก็ได้แต่ว่าเข้าถึงจุด ก, กลางต้องจากัดภาวนาอย่างเกษินนต้นเย่างปัทวีเกสิ น, นยามกลาคืนนี้ต้องภาวนาว่าปัทวีเกษินนะจะไ่เอาอย่างอื่นมาใช้ไม่ได้เป็นคำภาวนาจํากัดวันนี้ กระสินเนีวันนไม่ว่าท่นานธาตุสีนะดินน้ำลมไฟดินแล้กันน้ำแล้กันลมได้ก็ไฟวันนี้ก็ว่ากัะสินก็สินน้ำอาโปก็สินคาว่าอาโปคือน้ำทีนี้ตามแบบที่อาจรย์ท้ายานมีเขียนไว้ต้องใช้ขันน้ำขนาดนี้ใช้น้ำให้เตยมเตรียมไม่เห้นขอบ ไม่เห็นขอบขันมันไม่ใหญ่ขันมีขอบแล้วเวลาที่มองจริงๆห้ามมองขอบขันท่นนี้ก็ต้องไปมองในมหาสมุทรไม่เห็นขอบใช่ไหมไม่งังก็ดำน้ําไปมองไม่เห็นฝั่งแน่รวมความว่าวิธีปฏิบัติจริงๆพ่อเจนะถ่ายอาจารย์ท่านสงเคราะห์ของท่านไม่คิดไม่ เ, เกรงว่าจะเป็นกระสินโทษมันหมายความเห็นน้ข้าไม่เป็ไรเป็นกะสินน้ํา เห็นขอบขันขอบขันไม่ช่นน้นถ้ามีภาพอื่นติดเข้ามาด้วยถือเป็นกระสินโทษในว่างตาตานรานะตอนนี้เรามาพูดกันถึงวิธีปฏิบัติจริงๆค้าไม่จำเป็นคือไม่มีความจำเป็นเลยมันอยู่ที่ใจเราคนเดียวใช้ตามใส่ขันมาเกขันเล็กเล็กขันใหญ่ก็ชฉางเราต้องการเฉพาะน้น เวลาละเล่มตาดูละเล่มตาดูน้ําไม่ถูกตาขอบขันเราไม่จําขอบขันหรือว่าเอินจิตจะหาขอบขันบ้างแต่เราไม่สนใจกับขอบขันสนใจกับน้ําจะไม่ใช่ได้ในวิธีปฏิบัติจริงก็เอามาแบบนี้นะ <c oughs> ก็ปฏิบัติเหมือนเหมือนกันกันกบปทวีกัสิงเหมือนไม่ได้กินนะเหมือนไม่รู้เรื่องบางคนตั้งแต่เนีย่ยเพิ่งมาเนี่ยวิธีปฏิบัติก็ตักน้ำมาหนึ่งขัน ขันเล็กก็ได้ขันโตก็ได้รมวารธนาถดาท่านเรท้าจานที่กำหนดก่าห่างเท่าไรจึงหมกะก็ไม่จำเป็นเราก็ดูการเหมาะของเราขนาดไหนเรามองได้ตามสบายเวลามองน้ำก็นึกในใจว่าอาโปกรสินังนี่เข้าจำกัดรรภาวานานะ เวลาดูน้ำนึกว่าอาโปกรสินนางอาโปกรสินนางแล้วลรูลไม่ใจก็ออกด้วยจิตก็ได้ทรงชันเร็วเมื่อลืมตาจำภาพน้นได้แล้วก็หลักตาหลักตานึกถึงภาพน้ำนึกภาวนาว่าอาโปกรสินนางลู้ลมไม่ใจก็ออกด้วยสักไปเดี๋ยวหนึ่งภาพน้นจะเลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่เหมือนกัน เหมือนการยกกองละสินเหมือนกันมันเป็นเรื่องนนยากฉะนั้นคนที่ได้กองแรกต้องได้จริงๆอย่าสักจะว่าได้ถ้าได้จริงๆรคล่องตัวในชานทั้งหมดถ้าคล่องในชาทั้งหมดแล้วเขาสินละต่างอีกอีกเก้ากองกองละสามวันได้หมดก็ทําแบบนั้นจะได้สิบกองเมื่อาพาดน้ำเดินไปก็ลืมตามมาดูใหม่ ยามภาพน้ำได้ก็หลักตาภาวนาใหม่นึกถึงภาพน้ำทำแบบนี้สลับกันไปและจะในช่วงเดียวกันนิวร์ก็อาจจะเข้าโวนใจจะนิวร์นี่เป็นของธรรดาเราลืนก็ไม่ได้นะมันเข้ามาแทรกรวมความเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแทนในเมื่อเราเผลอก็ไปถามพรธรรมดามันเข้ามา น, านั่นก็เข้ามาได้แน่พอ ร, รู้สึกตัวมันก็ตัดมันทิ้งไป หันเข้าไปจักลมหายใจก็ออกลืมตาดูน้าใหม่ลืมบ่แค่จําได้ดูได้ไม่เจะเพ่งต้องแสบตาอย่างนี้เคยบอกพยาโยมบางคนมาสองสามปีที่ก่อนบันมาเพราะว่าเวลาจะเรยียาฐานต้องการส่งสมาธิได้พุทธาทุตติให้ลืมตาดูพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานเน้่ยิงภาพกันเจลืมตาแล้วแสบตาดีไม่ดีมันจะชนไม่เข้าไปบุกตาตาย ตอนนั้นไม่ถูกไม่จำรื้ว่าสอนไม่จำจะต้องจำมะลือมตาลงแค่จำได้แล้วก็หลักตานึกสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้ถ้าจิตเริกลาคาญจะมีการเครียดจิตมีจิตมีการพู้ช้านมากคงไม่อยู่เลิกแน่อย่างถืน <c oughs> ถ้าวิธีก็ฝึกสมัยก่อนว่าจะมาฝึกกันครูบาอาจารย์จะสอนแบบนี้ ให้เอาภาพเกสิงตั้งไว้นอกกระท่อมที่พักคืออยู่ในป่ชาช้านั่งหลับตาเรื่มตาเรื่มตาหลับตาจำภาพพอคิดว่าจำภาพได้ทรงตัวบ้างพอทุกคนก็เข้ากวดลก็ามาหลับตามันรื่อนี้ไม่ไ ม, ม่หลับตาเน้ถึงภาพให้ภาพทงใจถ้าจะนอนก็นอนถ้าจะนอนกะผาพหลับตาเห็นผาดน้ำ ก็สิงกองใดก็เหมือนกันวันนี้พูดถึงเรื่องน้ำทำอย่างนี้ทุกวันแต่เวลาที่ทำให้เลือกเวลาที่สบายให้จิตเป็นสุขเวลาที่เมียมกลุ่มเมียมเครียดอย่าฝืนถ้าถึงว่าถือเวลาเราต้องทำนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าถึงเวลามันเมียมเครียดเมีมก็ะสับส่ายก็ลองทาดูบางทีเราอาจจิชนะไม่ไหวทำแด้มเร่งเจี๊ยบใช้ได้ ถ้าเริ่มทาแล้วจิตพุ่งซานมากขึ้นเลิกทิ้งไปก่อนยังไม่ทำอย่างงี้ก็เดินไปเดินมามองผ่านน้ําก็เดินไปเดินมาจําได้มั่งไม่ได้ไ้มั่งครั้งมาเดินเป็นกระเคลว่าจงกรมเดินไปเดินมาใกล้ๆคันน้ํำหรือว่าหินคันน้ําก็จําได้ก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเองก็ใช้ได้ทิ้งแรกเอาเบาๆก่อน ต่อมาเราจะเดินไปไหนก็ตามวิธีฝึกาพูดเรื่องพานก่อนนะเมื่อรุ่นที่ฝึกกันนั้นพระเขาทําแบบนี้ไปบินาบาตลอดสายทั้งไปและกลับเขาจะไม่ลืมภาพเวลานั่งทำบัตรสวดมนต์อยู่จะจับภาพนี้ตลอดเวลาภาพอาจจะขึ้นได้บ้างแม็กหนึ่งเขาตีกลับมาเวลาเดินไปไหนก็ตามไม่หยุดคุยกัน คุยกันทํามีเวลาว่างภาพก็ตาก็จิตให้มันทรงตัวแบบนี้ถ้าทรงตัวแบบนี้ถือว่าเข้าถึงอกเออร์ขณะจิสมาธิเบื้องต้นให้เกิดแล้วจะหายเร็วเกิดจะหายเร็วด้วยขณะกะสมาธิถ้าเกิดจูนานนี่สองสามนาทีมีการทรงตัวตามในทะเลอกาเออร์อกาเออร์สมาธิเบื้องต้นอกออสมาธิแปลสมาธิเปรียบเทียบจะไม่ใของจริงยังใช้ไม่ได้ ต่อไปต่อไปเา็นภาน้ำเราดูหลักการนึกถึงภาพภาพก็กลายสีนม่ลืมในการสินต้องไกลก็ไปหาด้วยสีเดียวกันอันดับแรกภาพน้ำจะเข้าไกลายเป็นสีเหลืองเหลืองน้อยๆค่อยๆ เ, เหลืองขึ้นมาเอเข้ามาวันเดียวไม่สช่จะต้อหลายไปจนกระทั่งเหลืองทึบใหญ่สีน้ําไม่กลายกดกลายกดจะสีเหลือง อย่างนี้เป็นอุป h a t อุป h a t สมาธิใกล้เข้าไปต่อไปเมื่อเหลืองเป็นแท่งทิทรงตูนานอยู่หลายวันแล้วก็เพ่งตามนั้นไม่ต้ไปคิดอะไรทั้งหมดต่อไปต่อไปจิตดีขึ้นสีเหลืองจะเปลาย่ยนไปสีขาวก็ค่อยจางลงจางลงจางลงจางลงจนถ้าเป็นสีขาวสะอาดทั้งหมดสีขาวสะอาดไม่มีอะไรปน ตอนนี้จิตมีความเข้มแข็งตอนนึกดูว้าขอภาพกระสินนี้จังโตขึ้น้าพกสินก็จะโตไปตามที่เราต้องการมาโตขนาดไหนก็ได้หรือว่าต้องการภาพกระสินให้เล็กลงภาพกสินก็จะเล็กลงนึกขอให้ภาพกสินลอยขึ้น้ากระสินก็จะลอยขึ้นคิดว่าขออยู่คนหน้าอยู่คนหลังอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเป็นไปตามนั้นทุกอย่าง อย่างนี้ถือ ว, ว่าเป็นคอกาสสมาธิขั้นสุดท้ายสมาธิเฉียดชายยังไม่ถึงชันถ้าที่เขาฝึกวิชาสามเขาจะใช้แต่ตรงนี้ยังไม่ต้องถึงชานเริ่มฝึกคิดพยานกับตรงนี้เห็นภาพจะเหนชัดเจนสบายใจแน่เพระยันดิฐานจิตว่าขอภาพกสินจะหายไปภาพสีดาต้องการจะปรากฏ ภาพที่ต้องการมันจะชัดเจนถ้าภาพกสินจะเป็นภาพอะไรก็ได้ภาพคนภาพสัตว์ภาพอารมภาพสวรรค์ภาพปั่นเป็นโรงใครเมื่อใครเราพูดเราแทรกสินเราไม่อยู่ที่ไหนเราไม่แน่ใจขอดูตานั้นย่างยึดภาพกระสินไม่ทิจจอย่างนี้จะเห็นชัดเจนแจ่มใสมากแต่ห้ามคิดขโมยเพราะนั้คิดขโมยของภาพกสินจะหลายตัวก็อยู่ในสินอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะปกปิดกันได้เลย นี่เป็นเรื่องวิชาสาร น, นี้เราสุดได้ข้อปัญญาเนี่ยแค่นี้เรายังไม่หยุดหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแค่นี้ปัญญาไม่เกิดไี่พูดได้ปัญญาเนี่ยก็ต้องพิจารณาพลิกเพ่งไปตามนั้นจนกว่าภาพกรสินจะคลตัวคลายจากสีขาวเป็นทั้งคลิปเริ่มเป็นแก้วจะเป็นแก้วจนตะขอบเข้ามาทดือหน่อยเดือหน่อยวันยังอาจจะเป็นแก้วใหม่มาก ใหม่ๆอันเป็นชีแก้วเรื่องข้างนอกทั้งท้ทั้ ง, งองทั้งองคสิงแต่ต่อไปก็จะปัดขอบเข้ามาเป็นแก้ว ล, ล้วนจนกระทั่งเป็นแก้วบดท้งององถ้าเป็นแก้วใสหมดองอย่างนี้ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นฌานสมาบัติถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติจะ ถ, ถึงและไม่ถึงให้สังเกตตามนี้สังเกต เ, เสียงภายนอกเราจงพยายามทําใกล้คนคุย เรอใกล้เสียงวิทยุใกล้เสียงโทรทัศน์ถ้าขนาดที่เห็นภาพชัดเจนแสมไใสเป็นแก้วตามนั้นเสียงวิทยุและโทรทัศน์พูดแลร้องเพลงเราได้ินชัดเจนมากขนากทุกถ้อยคำแต่เราไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้เ ป, ป็นปรมชานแน่ต่อไปก็พิจารณาแบบนั้นเรื่อยๆไปจนทั่งปรากฏฌานสี่ ถ้าปรากฏชานสีผ้ากสินจะสวยมากไม่จะมีการเข้างตัวทุกอย่างหลังจากมันหูจะไม่ได้ยินเสียงเราใส่กับจิตตัดกันเดยขาดแยกจากกันเราศาสตร์ร่างกายทํางานปกติแต่จิตไม่รับทราบหูได้ยินเสียงแต่จิตไม่ยอมรับทราบคือเลยไม่ได้ยินเสียง แล้วก็ต่อจากนั้นไปจิตก็จะตัดจากร่างกายไม่ยับไม่ยอมไม่ยอ ม, ยมยรับ ร, บรู้รือไม่ใจเท่าออเพราะร่างกายจะให้ใจอยู่แต่เรามีความรู้สึกเหมือนไม่ให้ใจอย่างนี้แปลการค้นชานสีเมื่อทำกระสินจริงๆต้องทําวิญชาญสีให้คล่องตัวไม่ใช่สติวัตรบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้อย่างนี้ทําไปดับวิญญาไม่ได้ ถ้าเราจะทำแค่อุปจารสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างจะเป็นสุขภัทรโกโรได้ถ้าเตวิโชก็ต้องทรงอุปจารสมาธิแน่อนอนเหมือนกันเมื่อไรก็ได้ทันทีทันใดเน้นได้เพราะปัญญาต้องทรงฌานสีส่ด้วแน่นอนนึกภาพเมื่อไรจิตเข้าถึงฌานสีทันทีตรงภาพตัวสิ้นเพียนิดท่านี้ว่าจะพึงเรื่องฤทธิ์ใครอยากจะเรีฤทธิ์บ้าง เมื่คืนนี่ก็สินแข็งอาสินดินเห็นไหมกาสินแข็งทําของคําของอ่อนให้แข็งอากาศซึ่งอ่อนเระเหยียบไม่ได้และจับไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ปฐมีเราสินอธิฐานจิตแต่ว่าได้กองสกร อ, อยาบอธิฐานนะั้นยังไม่ได้ได้ซบครบจิตกร้องและีการซ่อนต่างอีกนี่น่าจะบอกให้ วิธีซักซ้อนต้องมีเป็นพิเศษไม่ใช่มาได้แค่การฉีดจะทำได้ไม่ได้แน่ก็อย่ลองทําได้ไม่สําเร็จเสียเวลาเรากรปสปตวีกระสินทำของอ่อนให้เป็นของแข็งอากาศเป็นอ่อนเราอยากจะเดินบนอากาศก็อธิษฐานว่าขออากาศทั้งหมดแต่ว่าส่วนใดก็ตามที่เท้าเหยียบลงไปค่อยแข็งเหมอนบินเวลารออากาศแข็งทั้งโลกมันจะบินก็ติดแง้แก ถ้าอย่างนี้เราก็ยังลองเหยียบดูถ้าจะเหยียบให้ดีเหยียบจะนั่งคาลงมาข้างล่างกอดีเหมือนกันนะถ้ า, า, าพลาดท่าทางก็ตายพระปพันกุลไปเลยหรือว่าจะลองใช้มือก็ได้ดาการได้การส่วนได้ก็ตามไม่เมื่อมือข้าพเจ้าแตะไปเขาจแข็งจะไม่ดีกว่าเขาจะลองแบบนี้เอามือแปะบ้งแล้วนี้มือจิ้มบ้างมันแข็งตัวระทั่งนิ้วมือะไรแข็งมานั่นนิ้วมอะไรแข็งวันนั้นเขาก็ลองเดินร ก, กาศเด่๋ยวนี้ไม่ได้เกาะนะ เอออกม็ใช่วาโยปสินตอนนี้นะครับว่าถ้าจะลงถ้าผลถ้าจะล ง, ละงจจะ น, น้ำประดิษฐประสินก็อธิฐานในน้าแข็งมาอาโปประสินทำของแข็งให้เป็นของอ่อนอย่างดินแมงแข็งเราไม่มีจอบจะขุดเราจะมุดตักอธิฐานใ้ตรงนี้มีน้ําชื่อดินอ่อนมันก็ดินเปียก มันจะอ่อนมันยินเปียกตักมาได้สบายสบายแต่บางทีอย่างพระธุดงท่านอดไม่รู้จะกินอะไรไอ้ฐานดินเป็นวุ้นเป็นขนมฉาบดินสบายสบายแย่งแท็เตียงกินใช่อ น, นไี้ทำได้เลยทำหรือว่าถ้าฝนไม่ตกต้องการในฝนตกใช้อาโบบุษ แต่วิธีใช้อยพูดต่อหลังตอนนี้ยังไปพูดอเอาไว้ตอนจบแล้วในตอนจบแล้วจะสรุปให้ฟังก็เรื่องความว่าเรื่องฤิธิ์อย่าสนใจให้มากจะเป็นการทวงเวลาบรรลุผลเราต้องกายเาสิ้นเป็นกําลังสมาธิให้สมาธิทรงตัวมีความเข้มแข็งสู้กับมีวรสู้กับกิเลสเมื่อเวลามันเลยนาะทีครึ่งก็เรื่องเขงาก็สิ้นก็ทำให้ทรงตัวจิตจะได้เป็นสมาธินาน จะทรงฌานได้ดีแต่ขอสรุปว่ า, ว า, า, ยยาวพุทธมดายาโยพุทธบริษัทจะหลงกระสินมากเกินไปยังไงตา่างกระสินจะถึงไหนก็ตามนั้นหนึ่งความตายอย่าลืมต้องย้อนมาคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายการที่สองตัดความสงสัยในพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนักเถือด้วยปัญญา เห้บริการในสามนักษาหินห้าพร้อมกําหมดสิบไมนคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พื้นิวการไม่ดึงสุรายและไม่ไหทางกายไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบให้พูดปดไม่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่เพ้อเจือแล้วไหลทางวาจายไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบทำไม่จองนานจองแผงใครมีความเห็นคล้อยตามที่เจ้าสอน เราความมาถ้าปฏิบัติได้ารนี้นะพ้นอบายภูมิถ้าปฏิบัติไม่ได้แบบนี้แต่ละสิ่งขนาดไหนก็ไม่คนอบายภูมิและจุดสุดท้ายทุกคนอย่าลืมพนิพัทธตั้งใจว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์เรไม่ต้องการมันอีกสิ้นเทวดาและผมก็เป็นทุกข์ล้มนั้นหมดทุกจรแหละแต่ว่าไม่หมดนานหมดพรทธาสนาบารมีมาทุกใหม่ไม่ต้องการอีกเราต้องการนิพัานถ้าเวลาหมดท่ า, ญญาติโยมโยมโดยสัตว์ทุกท่าน ตอนนี้ไปขอตุอตตนอ้นตั้งใจสมาทานสินั้ามาทานประภทาน